ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งเรื่องพระจักุบาลเถระมีปุจชาว่าพระธรรมเทศนานี้ว่ามโนโปุ บ, บังกมามธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนาซาเจปดุเทนะพาสติวากรโรติวาตาโตนังลุคแมนโนเวติ จากกลางวะวหาโตประดังทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นดุดล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นําแอบไปอยู่ฉะนั้น ดังนี้พระศาสดาตรัสแล้วนั่ที่ไหนวิสัชนาว่าพระองค์ตรัสแล้วณนะกรุงสาวัตถีมีปุจฉาเป็นไปตามลําดับว่าพระองค์ทรงปรารบใครมีวิสัชนาว่าพระองค์ทรงปรารบพระจักกุบานเถระตอน กุฎุมพีทำพิธีขอบุตรแต่งได้สะดับมาในกรุงสาวสถีมีกุดุมพีผู้หนึ่งชื่อมหาสุวรรณเป็นคนมั่งมีมีทรัพย์มากมีสมบัติมากแต่ไม่มีบุตรวันหนึ่งเขาไปสู่ท่าอาบน้ำอาบเสร็จแล้วกลับมา เห็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรต้นหนึ่งมีกิ่งสมบูรณ์ในระหว่างทางคิดว่าต้นไม้นี้จะมีเทวดาผู้มีศัก์ใหญ่สิงอยู่ดังนี้แล้วจึงให้ชำระส่วนภายใต้แห่งต้นไม้นั้นให้สะอาดแล้วให้วงรัว้วเกลี่ยทรายยกธงชัยและธงประตากขึ้น แต่งต้นไม้เจ้าไพรแล้วทําปรารถนาคือบนว่าข้าพเจ้าได้บุรหรือที่ด่าแล้วจากทาสาการะใหญ่ถวายท่านดังนี้แล้วหลีกไปตอนกุฎุมพีได้บุดสองคนในการเป็นลำดับมา ภรายาของท่านเศรษฐีก็ตั้งคันท่านก็ให้พิธีบริหารคันแก่นางกรั่นล่วงสิบเดือนนางคลอดบุตรคนหนึ่งท่านเศรษฐีขนานนามแห่งบุตรนั้นว่าปาละเพราะเหตุถารกนั้นตนอาศัยไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรอันตนอภิบาลจึงได้แล้วในการเป็นส่วนอื่น ท่านเศรษฐีได้บุตรอีกคนหนึ่งขนานนามว่าจุลปาละขนานนามบุตรคนแรกว่ามหาปาละครั้นสองกูมานั้นเจริญวัยมันดาบิดาก็คิดผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือการคลองเคหสถานในการเป็นส่วนอื่นมันดาบิดาได้ทำการลกิริยาล่วงไป วงญาติก็เปิดสมบัติทั้งหมดมอบให้แก่สองเศรษฐีบุตรตอนพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี25ิพรรษาในสมัยนั้นพระศาสดาทรงประกาศพระบวรธรรมจักให้เป็นไปแล้วเสด็จไปโดยลำดับประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหาร ที่ท่านอนาถบินติกาเศรษฐีบริจาคทรัพย์นับได้54โกฎสร้างถวายทรงสั่งสอนมหาชนให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์และในทางนิพพานแท้จริงพระตถาคตเสด็จอยู่จำพรรษาพรรษาเดียวเท่านั้นในนิโครธมหาวิหารที่พระญาติวงฝ่ายพระชนนีแปด0มื 80, ตระกูล ฝ่ายพระชนกแปด0มืนตระกูลเข้ากันเป็นแสนหก0มืนตระกูลสร้างถวายสเสด็จอยู่จำพรรษาณนเะชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาถบินติกาเศรษฐีสร้างถวาย 19, สาิบเก้าพรรษาเสด็จจำพรรษาณนะปุบผารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาบริจาคทรัพย์นับได้27โกฎ สร้างถวายหกพันศาทรงอาศัยที่ตระกูลทั้งสองเป็นผู้ใหญ่โดยคุณธรรมเสด็จอยู่จำพันษาอาศัยกรุงสาวัตถีเป็นโคโจรคามถึง25าพันสาด้วยประการฉนี้ตอนผู้บำรุงภิกษุสามเณร ทั้งท่านนาธะปินธิกะมหาเศรษฐีทั้งวิสาขามหาอุบาสิกาย่อมไปสู่ที่อุปถากพระตถาคตเจ้าวันละสองครั้งเป็นประจำและเมื่อไปไม่เคยมีมือเปล่าไปด้วยคิดเกรงว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรจะแลรดูมือตนเมื่อไปก่อนเวลาฉันอาหาร ย่อมใช้ให้คนถือของขบเคี้ยวเป็นต้นไปเมื่อไปภายหลังแต่เวลาฉันอาหารใช้ให้คนถือปัญจเภสัชและอัฐบาลไปและในเคหสถานแห่งท่านทั้งสองนั้นเขาแต่งอาสนะไว้เพื่อภิกษุแห่งละสองพันรูปเป็นนิตยการ ภิกษุรูปใดปรารถนาของสิ่งใดจะเป็นข้าวน้ำหรือเพศัตว์ของนั้นก็สำเร็จแก่พระภิกษุรูปนั้นสมปรารถนาตอนเศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหาในท่านทั้งสองนั้นท่านอนาถปิติกาเรเศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหาต่อพระศาสดาจนวันเดียว ได้ยินว่าท่านคิดว่าพระราตถาคตเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนเมื่อทรงแสดงธรรมแก่เราด้วยทรงพระดำริว่าคฤรหบดีมีอุปการะแก่เรามากดังนี้จะทรงลําบากแล้วไม่ทุนถามปัญหาด้วยความรักในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่ง ฝ่ายพระสัสดาพอท่านเศรษฐีนั่งแล้วทรงพระพุทธธรริว่าเศรษฐีผู้นี้รักษาเราในที่ไม่ควรรักษาเหตุว่าเราได้ตัดศีรษะของเราอันประดับประดาแล้วควักดวงตาของเราออกแล้วชำละเนื้อหัวใจของเราแล้วสละลูกเมีย ผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของเราแล้วบำเพ็ญบารมีอยู่สี่อสงไขยกับแสนกับก็บำเพ็ญแล้วเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเท่านั้นเศรษฐีนี้รักษาเราในที่ไม่ควรรักษาพระทรงพุทธตรรมริชนี้แล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนากันหนึ่งเสมอตอน ชาวสาวัตถีไปฟังธรรมครั้งนั้นในกรุงสาวัตถีมีคนอยู่เจ็ดโกรในคนหมู่นั้นคนได้ฟังธรรมกถาของพระสัสดาแล้วเกิดเป็นอริยสาวกประมาณห้าโกฏยังเป็นปุถุชนอยู่ประมาณสองโกรในคนเหล่านั้นกิจของพระอริยสาวกมีเพียงสองอย่างเท่านั้น คือในการก่อนแต่เวลาฉันอาหารท่านถวายทานในการภายหลังแต่ฉันอาหารแล้วท่านมีมือถือเครื่องสักการะบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นใช้คนให้ถือทยธรรมมีผ้าเพสัตและน้ำปานนาเป็นต้นไปเพื่อต้องการฟังธรรม ตอนมหาปาระตามไปฟังธรรมภายหลังวันหนึ่งกุดุมพีมหาปาระเห็นหมู่อริยสาวกมีมือถือเครื่องสกราระบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไปสู่วิหารจึงถามว่ามหาชนหมู่นี้ไปไหนกันกรั้นได้ยินว่าไปฟังธรรม ก็คิดว่าเราก็จักไปบ้างครั้นไปถึงถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่ข้างท้ายประชุมชนธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจะทรงสดแสดงธรรมท่าพระเนตรอุปนิสัยแห่งคุณมีสาระศีลและบรรพชาเป็นต้นก่อนแล้วจึงทรงสดแสดงธรรมตามอำนาจอัทยาศัย ตอนอนุปพีกถาหเหตุนั้นวันนั้นพระสัสดาทอพระเนตรอุปนิสัยของกุดุมพีมหาป่าละแล้วเมื่อทรงแสดงธรรมได้ตรัสอนุปพีกถาคือทรงประกาศทานคาถาคือพันานาทานศีลคถาคือพนานาันนาศีล สักกะถก า, าคือพันนาสวรรค์โทษและความเลวทรามและความเศร้าหมองแห่งกรมทั้งหลายและอานิสงส์ในนิข ม, มะคือความออกไปจากกรมทั้งหลายตอนมหาปาระขอบวชกุดุมพีมหาปาระได้สดับ ทำนั้นแล้วคิดว่าบุตรและธิดาก็ดีโพคสมบัติก็ดีย่ำไปตามผู้ไปสู่ปราโลกหาได้ไหมแม้สรีรยร่างก็ไปกับตัวไม่ได้ประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ครองเรือนเราจะบวชพอเทศนาจบ ก, ก็เข้าไปเฝ้าพระสัสดาทูลขอบวชขณะนั้น พระศาสดาตรัสถามเขาว่าอยากไหนของท่านที่ควรจะต้องอำลาไม่มีบ้างหรือเขาทูลว่าพระเจ้าข้าน้องชายของข้าพเจ้ามีอยู่พระศาสดารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงอำลาเขาเสียก่อนตอนมหาปาละมอบสมบัติให้น้องชาย เขาทูลรับว่าดีแล้วถวายบังคมพระศาสดาแล้วไปถึงเรือนแล้วให้เรียกน้องชายมามอบสมบัติให้ว่าแน่พ่อสะวิญญาณนะทรัพย์ก็ดีอวิญญาณกะทรัพย์ก็ดีอันใดอันหนึ่งบรรดามีในตระกูลนี้ทรัพย์นั้นจงตกเป็นภาระของเจ้าทั้งหมด เจ้าดูแลทรัพย์นั้นเถิดน้องชายถามว่านายก็ท่านเล่าพี่ชายตอบว่าข้าจะบวชในสำนักของพระศาสดาน้องชายพี่พูดอะไรเมื่อมันดาของข้าพเจ้าตายแล้วข้าพเจ้าได้ท่านเป็นเหมือนมันดาเมื่อบิดาตายแล้ว ได้ท่านเป็นเหมือนบิดาสมบัติเป็นอันมากมีอยู่ในเรือนของท่านท่านอยู่ครองเรือนเท่านั้นอาจทำบุญได้ขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยพี่ชายพราะข้าได้ฟังธรรมพระเทศนาของพระาศาสดาเพราะเหตุที่พระาศาสดาทรงสแสดงธรรมมีคุณไพราอทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ยกขึ้นสู่ไตรลักษณะอันละเอียดสุขุมทำนั้นอันใครๆไม่สามารถจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ในถ้ำกลางเรือนได้ข้าจะบวชหลักพ่อน้องชายพี่เออก็ท่านยังหนุ่มอยู่โดยแท้เอาไว้บวชในเมื่อท่านแก่เถิดพี่ชายพ่อ ก็แม้มือและเท้าของคนแก่แต่ของตัวก็ยังว่าไม่ฟังไม่เป็นไปในอำนาจก็จะกล่าวไปทำอะไรถึงญาติทั้งหลายข้านั้นจะไม่ทำตามถ้อยคำของเจ้าข้าจากบำเพ็ญสมณะิฏิบัติให้บริบูรณ์เจรายัจริตาหุนติหัตถปาดาอนัสวายัสโซวิหัตต ท่าโมกระทั่งทำมังจริสติมือและเท้าของผู้ใดสุดโซมไปพระชราว่าไม่ฟังผู้นั้นมีเรี่ยวแรงอันชรากําจัดเสียแล้วจกประพฤติธธ ร, รมอย่างไรได้ข้าจากบวชแน่ละพ่อตอนมหาปาละ บรรพชาอุปสมบทเมื่อน้องชายกำลังร้องห้าอยู่เที่ยวเขาไปสู่สำนักพระาศาสดาแล้วทูลขอบวชได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอยู่ในสำนักแห่งพระอาจารย์และอุปชาครบห้าพรรษาแล้วออกพรรษาประวารณาแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมแล้วทูลถามว่า พระเจ้าค่าในพระศาสนานี้มีธุระกี่อย่างตอนธุระสองอย่างในรพระศาสนาพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุธุระมีสองอย่างคือขัถั์ธุระกับวิปัสสนาธุระเท่านั้นพระมหาปาลาทุนถามว่าพระเจ้าค่า ก็คันธุระเป็นอย่างไรวิปัสสนาธุระเป็นอย่างไรพระสัสดาธุระนี้คือการเรียนนิกายหนึ่งก็ดีสองนิกายก็ดีจบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดีตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วส่งไว้กล่าวบอก พุทวจนะนั้นชื่อว่าคันฑตุระส่วนการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพยังวิปัสนาให้เจริญด้วยอำนาจแห่งการทำติดต่อแล้วถือเอาพระอรหัสต์ของภิกษุผู้มีความประพฤติแคล่วคล่องยินดียิ่งแล้วในเสนาสะนะอันสงัดชื่อว่าวิปัสนาตุระ มหาปารพระเจ้าข้าข้าพระองค์บวชแล้วแต่เมื่อแก่ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันถักธุระให้บริบูรณ์ได้แต่จะบำเพ็ญวิปัสนาธุระให้บริบูรณ์ขอพระองค์ตรัสบอกพระกรรมฐานแก่ข้าพระองค์เถิดตอนพระมหาปารักเดินทางไปบ้านปลายแดน ลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัส บ, บอกพระกรรมฐานตลอดถึงพระอรหันต์แก่พระมหาปาละท่านถวายบังคมพระศาสดาแล้วแสวงหาภิกษุผู้จะไปกับตนได้ภิกษุ60รูปแล้วออกพร้อมกับเธอทั้งหลายไปตลอดทาง120โยชนต์ถึงบ้านปลายแดนหมู่ใหญ่ตำบลหนึ่ง จึงพร้อมด้วยบริวารเข้าไปบินทบาทณบ้านนั้นตอนชาวบ้านเลื่อมใสอาราธนาให้อยู่จำพรรษาหมู่มนุษย์เห็นภิกษุทั้งหลายพูดถึงพร้อมด้วยวัดมีจิตเลื่อมใสแต่งอาสนะแล้วนิมนต์ให้นั่งอังคาดด้วยอาหารอันประนีตแล้วถามว่า ท่านเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้าจะไปที่ไหนเมื่อเธอทั้งหลายกล่าวตอบว่าอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายเราจะไปสู่ที่ตามผาสุขดังนี้แล้วมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นบัณฑิตรู้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสแสวงหาเศนาสะนะที่จำพรรษา จึงกล่าวอาราธนาว่าท่านผู้เจริญถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพึงอยู่ณที่นี้ตลอดไตรามาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงตั้งอยู่ในสารณะแล้วถือศีลแม้เธอทั้งหลายก็คิดเห็นว่าเราได้อาศัยตรกูเหล่านี้จักทาการออกไปจะพบได้ดังนี้จึงรับนิมนต์ หมู่มนุษย์รับปฏิญญาของเธอทั้งหลายแล้วได้ช่วยกันปัดกวาดวิหารจัดที่อยู่ในกลางคืนและที่อยู่ในกลางวันแล้วมอบถวายเธอทั้งหลายเข้าไปบินธบาตบ้านนั้นตําบลเดียวเป็นประจาครั้งนั้นหมอผู้หนึ่งเข้าไปหาเธอทั้งหลายประวาริาว่าท่านผู้เจริญ ธรรมดาในที่อยู่ของคนมากย่อมมีความไม่ผาสุกบ้างเมื่อความไม่ผาสุกนั้นเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายพึ่งบอกแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจาักทำเพิสัตว์ถวายตอนพระมหาปาระถือเนสัจชชิกทุดงในวันจำพรรษาพระเถระเรียกภิกษุเหล่านั้น มาพร้อมกันแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจะให้ไตรมาสนี้น้อมล่วงไปด้วยอิริยาบถเท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายเรียนตอบว่าจะให้น้อมล่วงไปด้วยอิริยาบถครบทั้งสี่ขอรับพระเถรัท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ข้อนั้นสมควรหรือเราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่หรือเพราะเราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่และธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น อันคนมีอัธยาศสายงามจำพวกเดียวพึงให้ทรงยินดีได้และขึ้นชื่อว่าอบายทั้งสี่เป็นเหมือนเรือนของตัวเองแห่งคนผู้ประมาทแล้วขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุก็ท่านเล่าขอรับพระเถระ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าจักให้ไตรามาสนี้น้อมล่วงไปด้วยอิริยาบถสามจากไม่เหยียดหลังภิกษุสาธุขอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดขอรับตอนจากสุของพระมหาปาละพิการเมื่อประเถระ ไม่อย่างลงสู่นิทราเมื่อเดือนต้นผ่านไปแล้วโรคในจกักรสุก็เกิดขึ้นสายน้ำไหลออกจากตาทั้งสองข้างเหมือนสายน้ำอันไหลออกจากหม้ออันทะลุท่านบำเพ็ญสมณธรรมตลอดราตรีทั้งสิ้นแล้วในเวลาอารุณขึ้นเข้าห้องนั่งแล้วในเวลาพิกขาจานพิกสุทั้งหลาย ไปสู่สำนักของพระเถระเรียนว่าเวลานี้เป็นเวลาพิคขาจารย์ขอรับพระเถระตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายถือบาทและจีวรเถิดดังนี้แล้วให้เธอทั้งหลายถือบาทและจีวรของตนออกไปแล้วภิสูจน์ทั้งหลายเห็นตาทั้งสองของพระเถระ ระนองอยู่จึงเรียนถามว่านั่นเป็นอะไรขอรับพระเถระท่านผู้มีอายุทั้งหลายลมแทงตาของข้าพเจ้าภิกษุท่านขอรับหมอประวรนาเราไว้ไม่ใช่หรือเราควรบอกแก่เขาพระเถระดีละ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายตอนหมอปรุงยาให้หยอดเธอทั้งหลายจึงได้บอกแก่หมอเขาหุ่น้ำมันส่งไปถวายแล้วพระเถระเมื่อหยอดน้ำมันในจมูกนั่งหยอดเที่ยวแล้วเข้าไปภายในบ้านหมอเห็น เรียนถามว่าท่านขอรับได้ยินว่าลมแทงตาของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเถระเอออุบาสกหมอท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้าหุงน้ำมันแล้วส่งไปถวายท่านหยอดทางจมูกแล้วหรือพระเถระเอออุบาสกหมอ เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรขอรับพระเถระยังแทงอยู่ทีเดียวอุบาสกตอนพระมหาปาละนั่งหยอดยาหมอคิดชงนใจว่าเราส่งน้ำมันเพื่อจะยังโรคให้ระงับได้ด้วยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไปถวายแล้วเหตุไนหนอ โรคจึงยังไม่สงบจึงเรียนถามว่าท่านเจ้าข้าน้ำมันนั้นท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดพระเถระได้นิ่งเสียท่านแม้หมอสักถามอยู่ก็ไม่พูดหมอนึกว่าเราจะไปวิหารดูที่อยู่เองดังนี้แล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น นิมนต์ไปเถิดขอรับพระพระเถระแล้วไปสู่วิหารดูที่อยู่ของพระเถระเห็นแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่เห็นที่นอนจึงเรียนถามว่าท่านเจ้าข้านามันนั้นท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดพระเถระได้นิ่งเสียหมออ้อนบอนสัมว่าท่านผู้เจริญ ขอท่านอย่าได้ทําอย่างนั้นธรรมดาสมณธรรมเมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่ก็อาจทําได้ขอท่านนอนหยอดเถิดตอนพระมหาปาละปรึกษาการรชกายพระเถราตอบว่าไปเถิดผู้มีอายุข้าพเจ้าจะปรึกษาดูก่อนแล้วจึงจกรู้ ก็ในที่นั้นไม่มีญาติสาโลหิตของพระเถระเลยท่านจะปรึกษากับใครเล่าถึงอย่างนั้นท่านปรึกษากับกรัชกาอยู่ตำริว่าแน่ปาลิตะผู้มีอายุท่านจงว่ามาก่อนท่านจากเห็นแก่จักสุหรือจกเห็นแก่พระพุทธศาสนา ก็ในสังสารวัตอันมีที่สุดอันใครตามค้นไปก็รู้ไม่ได้การคณานานับตัวท่านผู้บอดด้วยจักษุหามีไม่และพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ล่วงไปหลายร้อยหลายพันพระองค์แล้วในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่พระองค์เดียวก็กำหนดไม่ได้ ท่านได้ปลูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่าจากไม่นอนจนตลอดสามเดือนภายในฤดูฝนนี้เหตุฉะนั้นจักสุของท่านชิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิดท่านจงทรงแต่พระพุทธศาสนาไว้เถิดอย่าเห็นแก่จักสุเลยเมื่อกล่าวสอนภูตกายได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ว่า จากคู่นี้ห้ายันตุมมายิตานิโซตานิห้ายันตุตเทวเดโฮสับบัมปีดังห้ายตุเดหนิสิตังกิงกรณาปาลิตะตะวังปมัมชสิจากคู่นี้เจรันตุมะมายิตานิโซตานิเีรันตุตเทวกาโย ο. สับบัมปีดังเีระตุกายนิสิตัง กิงกรณาปาลิตะตะวังปรมัชสิจกคู่นี้พิจันตุมามายิตานิโซตานิพิงจันตุตเทวรูปังสับบัมปิดังพิจัตุรูปนิสิตังกิงกรณาปาลิตะตะวังปรมัชสิจากสุตรที่ท่านถือว่าของตัวเสื่อมไปเสียเถิดหู ก็เสื่อมไปเสียเถิดกายก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิดแม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ก็เสื่อมไปเสียเถิดปาลิตะเหตุไนท่านจึงประมาทอยู่จากสูตรที่ท่านถือว่าของตัวสุดโทมไปเสียเถิดหูก็สุดโทมไปเสียเถิดกายก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิด แม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ก็สุดโทมไปเสียเถิดปาริตาเหอจไนท่านจึงประมาทอยู่จากสูตรที่ท่านถือว่าของตัวแตกไปเสียเถิดหูก็แตกไปเสียเถิดรูปก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิดแม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ก็แตกไปเสียเถิดปาริตา เอจไหนท่านจึงประมาทอยู่ตอนหมอเลิกรักษาพระมหาปาละกรันพระเถระให้โอวาสแก่ตนเองด้วยสามคาถาอย่างนี้แล้วได้นั่งทํานักถุ ก, กรรมคือเป่าน้ำมันแล้วจึงเข้าไปบ้านเพื่อบินทบาตหมอเห็นแล้วเรียนถามว่า ท่านเจ้าข้าท่านทำนัตทุกรรมแล้วหรือพระเถระเอออุบาสกหมอเป็นอย่างไรบ้างขอรับพระเถระยังแทงอยู่เทียวอุบาสกหมอท่านนั่งยอหรือนอนยอขอรับพระเถระได้นิ่งเสีย ท่านแม้อันหมอถามซ้ำก็ไม่พูดอะไรขณะนั้นหมอกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เริญท่านไม่ทำความสบายตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอผู้โนนหุงน้ํามันให้เราแม้ข้าพเจ้าก็จะไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าหุงน้ํามันถวายท่านตอน พระเถระเสียจากสู่พร้อมด้วยบรรลุพระอรหันต์พระเถระถูกหมอบอกเลิกแล้วกลับไปสู่วิหารดรัาริว่าท่านแม้หมอเขาก็บอกเลิกแล้วท่านอย่าได้ละอิริยาบถเสียนะสมณะแล้วกล่าวสอนตนด้วยกถานี้ว่า ปติกิตโตติกิจฉายะเวชเชนาสิวิวัติโตนิยโตมัจจุราชสักกิงปาลิตะปะมัจฉิกปาลิตะท่านถูกหมอเขาบอกเลิกจากการรักษาทิ้งเสร็จแล้วเที่ยงต่อมัจจุราชใช่ไหนจึงยังประมาทอยู่เล่าดังนี้แล้วบำเป็นสมณธรรม ลำดับนั้นพอมัชฌิมยามล่วงแล้วทั้งดวงตาทั้งกิเลสของท่านแตกพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันท่านเป็นพระอระหันต์สุขวิปสัสสกเข้าไปสู่ห้องนั่งแล้วตอนพวกภิกษุและชาวบ้านรับบำรุงพระเถระ ในเวลาพิคขาจาร์พิกสุทั้งหลายไปเรียนว่าท่านผู้เริญเวลานี้เป็นเวลาพิคขาจาร์พระเถระการหรือท่านผู้มีอายุทั้งหลายพิกสุขอรับพระเถระถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายไปเถิดพิกสุ ก็ท่านเล่าขอรับพระเถระตาของข้าพเจ้าเสื่อมเสียแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายเธอทั้งหลายแลดูตาของท่านแล้วมีตาเต็มด้วยน้ําตาปลอบพระเถระว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าคิดไปเลยกระผมทั้งหลายจากปฏิบัติท่านดังนี้แล้ว ทำวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเสร็จแล้วเข้าไปสู่บ้านโมมนุษย์ไม่เห็นพระเถระถามว่าท่านเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายไปข้างไหนเสียทราบข่าวนั้นแล้วส่งข้าวต้มไปถวายก่อนแล้วถือเอาบิณฑบาตไปเองไหว้พระเถระแล้ว ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านปลอบว่าท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้าทั้งหลายจะรับปฏิบัติท่านอย่าได้คิดไปเลยแล้วลา ก, กลับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ส่งข้าวต้มและข้าวสวยไปถวายที่วิหารเป็นนิดฝ่ายพระเตระก็กล่าวสอนภิกษุ60รูปนอกนี้ เป็นนิรันด์เธอทั้งหลายตั้งอยู่ในโอวานของท่านครั้นจวนวันประวัรณาก็บรรุพระอรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทุกรูปตอนพวกภิกษุไปเฝ้าพระสัสดาก็แลเธอทั้งหลายออกพรรษาแล้ว อยากจะเฝ้าพระสาสดาจึงเรียนถามพระเถระว่ากระผมทั้งหลายอยากจะเฝ้าพระสาสดาขอรับพระเถระได้ฟังคำของเธอทั้งหลายแล้วคิดว่าเราเป็นคนทุพพลภาพและในระหว่างทางดงที่อมนุษย์สิงก็มีอยู่เมื่อเราไปกับเธอทั้งหลายจะพากันลำบากทั้งหมด จกไม่อาจเพื่ออันได้แม้ภิกษาเราจะส่งภิกษุเหล่านี้ไปเสียก่อนลำดับนั้นท่านจึงกล่าวกับเธอทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายไปก่อนเถิดภิกษุก็ท่านเล่าขอรับพระเถระข้าพเจ้าเป็นคน ทุพลภาพและในระหว่างทางดงที่อมนุษย์สิงก็มีอยู่เมื่อข้าพเจ้าไปกับท่านทั้งหลายจากพากันลําบากทั้งหมดท่านทั้งหลายไปก่อนเถิดภิกษุอย่าทําอย่างนี้เลยขอรับกระผมทั้งหลายจะไปพร้อมกันกับท่านทีเดียวประเถระ ท่านทั้งหลายอย่าชอบอย่างนั้นเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นความไม่ผาสุจากจะมีแก่ข้าพเจ้าน้องชายของข้าพเจ้าเห็นท่านทั้งหลายแล้วคงจกถามเมื่อเช่นนั้นท่านทั้งหลายพึ่งบอกความที่จักสุ ข, ของข้าพเจ้าเสื่อมเสียแล้วแก่เขาเขาคงจกส่งใครๆมาสู่สำนักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปกับเขา ท่านทั้งหลายจงไหวพระโทศพลและพระอสิติมหาเถรรตามคำของข้าพเจ้าดังนี้แล้วก็ส่งภิกษุเหล่านั้นไปตอนพวกภิกษุแจ้งข่าวแก่น้องชายพระเถรรเธอทั้งหลายขมาพระเถรรแล้วเข้าไปสู่ภายในบ้านหมู่มนุษย์ นิมนต์ให้นั่งถวายภิกษาแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าดูท่าทีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะไปกัน ห, หรือเธอทั้งหลายตอบว่าเอออุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายพวกข้าพเจ้าอยากจะเฝ้าพระสัส ด, สดาพวกเขาอ้อนวอนเป็นหลายครั้งแล้วทราบความพอใจ ในการที่เธอทั้งหลายจะไปให้ได้จึงตามไปส่งแล้วบนรำพันธ์กลับมาฝ่ายเธอทั้งหลายไปถึงพระเจตวันโดยลำดับถวายบังคมพระศาสดาและไหว้พระมหาเถรรทั้งหลายตามคาของพระเถระแล้วครั้นรุ่งขึ้นเข้าไปสู่ถนนที่น้องชายของพระเถระอยู่เพื่อบินทบาท กุรุมพีจำเธอทั้งหลายได้นิมนต์ให้นั่งทำปฏิสันฐานแล้วถามว่าปริระพี่ชายของข้าพเจ้าอยู่ไหนลำดับนั้นเธอทั้งหลายแจ้งข่าวนั้นเก่เข่าแล้วเขาร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบปาดมูลของเธอทั้งหลายถามว่าท่านเจ้าข้าบักนี้ควรทำอะไรดี ตอนส่งสามเณรหลานชายไปรับพระเถรรักภิกษุพระเถรรักต้องการให้ใครใไปจากที่นี้ในการเมื่อไปถึงแล้วท่านจับมากับเขากุดุมพีท่านเจ้าข้าเจ้าคนนี้หลานของข้าพเจ้าชื่อปาลิตา ขอท่านทั้งหลายส่งเจ้าหนี้ไปเถิดภิกษุส่งไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะอันตรายในทางมีอยู่ต้องให้บวชเสียก่อนแล้วส่งไปจึงจะควรกุดุมพีขอท่านทั้งหลายทำอย่างนั้นแล้วส่งไปเถิดขอรับครั้งนั้นเธอทั้งหลายให้เขาบวชแล้ว สั่งสอนให้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติมีรับจีวรเป็นต้นสักกึ่งเดือนแล้วบอกทางให้แล้วส่งไปสามเณรถึงบ้านนั้นโดยลำดับเห็นชายผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ประตูบ้านจึงถามว่าวิหารป่าไรๆอาศัยบ้านนี้มีบ้างหรือชายผู้ใหญ่มีเจ้าค่า สามเณรใครอยู่ที่นั้นชายผู้ใหญ่พระเถระชื่อปาลิตะเจ้าข้าสามเณรขอท่านบอกทางแก่ข้าพเจ้าหน่อยชายผู้ใหญ่ท่านเป็นอะไรกันเจ้าข้าสามเณรรูปเป็นหลานของพระเถระ ตอนสามเณรชวนพระมหาปาละกลับขณะนั้นเขาพาเธอนำไปสู่วิหารแล้วเธอไหว้พระเถระแล้วทำวัดปฏิบัติบำรุงพระเถระด้วยดีสักกึ่งเดือนแล้วเรียนว่าท่านผู้เจริญกุรุมพีผู้ลุงของกระผมต้องการให้ท่านกลับไปขอท่านมา ไปด้วยกันเถิดพระเถระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงจับปลายไม้เท้าของเราเข้าสามเณร จ, จับปลายไม้เท้าเข้าไปภายในบ้านกับพระเถระหมู่มนุษย์นิมนต์ให้นั่งแล้วเรียกถามว่าท่านผู้เจริญดูท่าทีท่านจะไปลักกระมังพระเถระตอบว่า เอออุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายเราจะไปถวายบังคมพระศาสดาหมู่มนุษย์เหล่านั้นอ่อนวรโดยประการต่างๆเมื่อไม่ได้สมหวังก็ไปส่งพระเถระได้กึ่งทางแล้วพากันร้องไห้กลับมาตอนสามเณรถึงศีลวิบัติเพราะเสียงหญิง สามเณรพาพระเถระด้วยปลายไม้เท้าไปอยู่ถึงบ้านที่พระเถระเคยอาศัยเมืองชื่อสังกัถะอยู่แล้วในดงระหว่างทางเธอได้ยินเสียงขับของหญิงคนหนึ่งผู้ออกจากบ้านนั้นแล้วขับพลางเที่ยวเก็บฟืนพลางอยู่ในป่าถือนิมิตในเสียงแล้วจริงอยู่ ไม่มีเสียงอื่นชื่อว่าสามารถแผ่ไปทั่วสเตรลางของบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่เหมือนเสียงหญิงเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักอย่างอันจะยึดจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนเสียงหญิงนะภิกษุทั้งหลายสามเณร ถือนิมิตในเสียงนั้นแล้วปล่อยปลายไม่เท้าเสียแล้วกล่าวว่าท่านขอรับขอท่านรออยู่ก่อนกิจของกระผมมีดังนี้แล้วไปสู่สำนักของหญิงนั้นนางเห็นเธอแล้วได้หยุดนิ่งเธอถึงศีลวิบัติกับนางแล้วพระเถระคิดว่าเราได้ยินเสียงขับอันหนึ่งแล้ว เดี๋ยวนี้เองก็แลเสียงนั้นคงเป็นเสียงหญิงถึงสามเณรก็ชักช้าอยู่เธอจักถึงศีลวิบัติเสียแน่แล้วฝ่ายสามเณรนั้นทำกิจของตนสำเร็จแล้วมาพูดว่าเราทั้งหลายไปกันเถิดขอรับขนาดนั้นพระเถรราถามเธอว่าสามเณร เธอกลายเป็นคนชั่วเสียแล้วหรือเธอนิ่งเสียแม้พระเถระถามซ้ำก็ไม่พูดอะไระไรตอนพระเถระไม่ยอมให้สามเณรคบลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับเถอว่าธุระด้วยการที่คนชั่วเช่นเธอ จะปลายไม้เท้าของเราไม่ต้องมีเธอถึงซึ่งความสังเวชแล้วเปลืองผ้ากาสายะเสียแล้วนุ่งห่มอย่างครอหอขัดพูดว่าท่านผู้เจริญเมื่อก่อนกระผมเป็นสามเณรแต่เดี๋ยวนี้กระผมกลับเป็นครือขัดแล้วอันหนึ่งกระผมเมื่อบวชก็ไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธา บวชเพราะกลัวแต่อันตรายในหนทางขอท่านมาไปด้วยกันเถิดพระเถราพูดว่าผู้มีอายุคฤหัสชั่วก็ดีสมณะชั่วก็ดีก็ชั่วทั้งนั้นเธอแม้ตั้งอยู่ในความเป็นสมณะแล้วไม่อาจเพื่อทำคุณเพียงแต่ศีลให้บริบูรณ์เป็นคฤหัส จกทำความดีงามชื่ออะไรได้ทุระด้วยการที่คนชั่วเช่นเธอจะปลายไม่เท้าของเราไม่ต้องมีนายปาลิตะตอบว่าท่านผู้เจริญหนทางมีอมนุษย์ชุมและท่านก็เสียจากสุจะอยู่ในที่นี้อย่างไรได้ลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับเขาว่า ผู้มีอายุเธออย่าได้คิดอย่างนั้นเลยเราจะนอนตายอยู่นะที่นี้ก็ดีจะนอนพลิกกลับไปกลับมานะที่นี้ก็ดีขึ้นชื่อว่าการไปกับเธอย่อมไม่มีครั้นว่าอย่างนี้แล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าหันดาหังหาตะจกักกุตสมิกันตารัฐานมะกะโต สยมาโนนักชามินัติบาเลสหายตาหันดานงหัตจักคุศมิกันตารัธานมากะโตมริซามิโนคมิซามินัติบาเลสหายตาเอาเถิดเราเป็นผู้มีจักสุขอันเสียแล้วมาสู่หนทางไกลอันกันดาล นอนอยู่ก็ช่างจะไม่ไปเพราะความเป็นสหายในชนพานย่อมไม่มีเอาเถิดเราเป็นผู้มีจักสุเสียแล้วมาสู่ทางไกลอันกันดานจักตายเสียจักไม่ไปเพราะความเป็นสหายในชนพานย่อมไม่มีนายปาลิตะได้ยินคานั้นแล้วเกิดความสังเวชนึกว่า เราทำกาหนักเป็นไปโดยด่วนไม่สมควรหนอดังนี้แล้วกอดแขนกล้ำครวนแล่นเข้าราวป่าได้หลีกไปด้วยประการนั้นแลตอนอาสนะเท้าสกกร้อนโดยเดชแห่งศีลแม่ของพระเถระในขณะนั้น บรรทุกกำพลศิลาอาดของเท้าส ก, กะเทวราชยาว60โยชน์กว้าง50โยชน์หนา15ห้าโยชน์มีสีดุดดอกเฉยพลึกมีปกติยุบลงในเวลาประทับและฟูขึ้นในเวลาเสด็จลุกขึ้นแสดงอาการร้อนแล้วเท้าส ก, กะเทวราชทรงดารีว่าใครหนอแล ใครจะยังเราให้เคลื่อนจากสถานดังนี้แล้วทรงเล็งลงมาได้ทอดพระเนรเห็นพระเถระด้วยทิพยะจักสุเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าสหัสเนตโตเดวินโดติเปจักคุ้งวิโซทยิปปาปะกะระหีอายังปาโลอาจีวังปริโซทยิก สหัสเนโตเดวินโดดิปจักคุ้งวิโซโทยิธรรมกุรุโกโอยังปาโลนิสินโนซสาสเสนระโตท้าวสหัสเนตผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาทองทิพยจักษุทรงทราบว่าพระปาลเถระองค์นี้ตีเตียนคนบาป ชำระเครื่องเลี้ยงชีพให้บริสุทธิ์แล้วเท้าสหัสเนศผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาทรงทราบว่าพระปาลเถียระองค์นี้นักในธรรมยินดีในศาสนานั่งอยู่แล้วขณะนั้นเท้าเธอได้ทรงพระดำริว่าถ้าเราจะ ไม่ไปสู่สำนักของพระผู้เป็นเจ้าผู้ติเตียนคนบาปหนักในธรรมเห็นป่านนั้นศีรษะของเราพึงแตกเจ็ดเสียงเราจากไปสู่สำนักของท่านกรันทรงพระดำริชนี้แล้วก็เสด็จไปเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าสหัสเนโต เดวินโดเทวรัชศ ah ิริทโรตังคเนะอากันตวาจักคูปาลังอุปากมิท้าวสหัสเนธผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาทรงศิริของเทวราชเสด็จมาโดยขณะนั้นแล้วเข้าไปใกล้พระจักคูบาลเถระแล้วก็แล กรันเสด็จเข้าไปใกล้แล้วได้ทรงทำเสียงฝีพระบาทในที่ใกล้พระเถรรักขณะนั้นพระเราถรรัถามเท้าเธอว่านั่นใครเทวราชตรัสตอบว่าข้าพเจ้าคนเดินทางเจ้าข้าพระเถรรัท่านจะไปไหนอุบาสกเทวราช เมืองสาวัตถีเจ้าข้าพระเถระไปเถิดท่านผู้มีอายุเทวราชก็พระผู้เป็นเจ้าเล่าเจ้าข้าจะไปไหนพระเถระถึงเราก็จะไปที่นั่นเหมือนกันเทวราชถ้าอย่างนั้นเราทั้งหลายไปด้วยกันเถิดเจ้าข้า พระเถระเราเป็นคนทุพพลภาพความเนื่นช้าจะมีแก่ท่านผู้ไปอยู่กับเราเทวราชกิดรีบของข้าพเจ้าไม่มีถึงข้าพเจ้าไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าจากได้บุญกิริยาวัตถุสิบศักประการหนึ่งเราทั้งหลายไปด้วยกันเถอะเจ้าข้าพระเถราคิดว่า นั่นจากเป็นสัตว์บุรุษจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะปลายไม้เท้าเข้าเถิดอุบาสกตอนเท้าสกัดเทวราชพาพระเถระไปถึงพระเจตวันเท้าสกัดเทวราชทรงทําอย่างนั้นแล้วย่อพื้นปฐพีให้ถึงพระเจตวันในเพลาเย็น พระเถระได้ฟังเสียงเครื่องประโคมมีสังและบรรดาเป็นต้นแล้วถามว่านั่นเสียงที่ไหนเทวราชในเมืองสาวัตถีเจ้าข้าพระเถระในเวลาไปเราไปโดยการช้าแล้วเทวราชข้าพเจ้ารู้ทางตรงเจ้าข้า ในขณะนั้นพระเถระกำหนดได้ว่าผู้นี้มิใช่มนุษย์จักเป็นเทวดาเหตุนั้นพระโบราอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าสหัสเนโตเดวินโดเดวรัชสิริทโรสร้างขีปิตวานะตังมักกังขีปังซาวัติมากมิ เท้าสหัสนผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาทรงศิริของเทวราชย่นทางนั้นพลันเสด็จมาถึงเมืองสาวัตถีแล้วเท้าเธอนำพระเตระไปสู่บารรณาศาลาที่กุดุมพีผู้น้องชายทําเพื่อประโยชน์แก่พระเตระนั่นเทียวนิมนต์ให้นั่งเหนือแผ่นกระดาษแล้ว จำแรงเป็นสหายที่รักไปสู่สำนักของกุดุมพีจุลปาละตรัสร้องเรียกว่าแน่ปาละผู้สหายกุดุมพีจุลปาละร้องถามว่าอะไรสหายเทวราชท่านรู้ความที่พระเทระมาแล้วหรือจุลปาละ ข้าพเจ้ายังไม่รู้ก็พระเถวระมาแล้วหรือเทวราชตรัสว่าเออสหายข้าพเจ้าไปวิหารเห็นพระเถวระนั่งอยู่ในบรณารณาสลาที่ท่านทำมาแล้วเดี๋ยวนี้เองดังนี้แล้วสเสด็จหลีกไปฝ่ายกุดุมพีไปถึงวิหารเห็นพระเถวระแล้ว ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่ที่บาดมูลกล่าวว่าท่านผู้เจริญเจ้าข้าข้าพระเจ้าเห็นเหตุนี้แล้วจึงไม่ยอมให้ท่านบวช ด, ดังนี้เป็นต้นแล้วทําเด็กท่าสองคนให้เป็นไทยให้บวชในสํานักของพระเตระแล้วสั่งว่าท่านทั้งหลายจงนําเอาของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น มาจากภายในบ้านอุปถากพพระเถระักดังนี้แล้วมอบให้แล้วสามเณรทั้งหลายก็ทำวัดปฏิบัติอุปถา พ, พระเถระแล้วภายหลังวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในทิศผู้อยู่ที่อื่นมาสู่พระเชตวันด้วยหวังว่าจากเฝ้าพระสัส ด, สดา ถวายบังคมพระศาสดาเยี่ยมพระอสิติมหาเถระแล้วเที่ยวจาริกอยู่ในวิหารถึงที่อยู่ของพระจักุบาลเถระแล้วมีหน้าตรงต่อที่นั้นในเวลาเย็นด้วยหวังว่าจะดูแม้ที่นี้ในขณะนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นแล้วพวกเธอคิดว่าเดี๋ยวนี้เย็นแล้ว และเมฆก็ตั้งขึ้นแล้วเราจักมาดูแต่เช้าเที่ยวดังนี้แล้วกลับไปฝนตกในปฐมยามหยุดในมัชิมยามพระเถรรักเป็นผู้เคยปรารบความเพียรเดินจงกรมเป็นอาจินเหตุฉนั้นจึงลงสู่ที่จงกรมแล้วในปิมยามและในการนั้น ตัวแมลงค่อมทองหรือแมลงเม่าเป็นอันมากตั้งขึ้นแล้วบนพื้นที่ฝนตกใหม่ตัวเหล่านั้นเมื่อพระเตรราจงกรมอยู่ได้วิบัติคือตายโดยมากพวกอันเตวาสิกยังไม่ทันกว่าที่จงกรมของพระเถรราแต่เช้าตรู่ฝ่ายพวกภิกษุนอกนี้ มาด้วยหวังว่าจะดูที่อยู่ของพระเถรรัเห็นสัตว์ทั้งหลายในที่จงกรมแล้วถามว่าใครจงกรมในที่นี้พวกอันเตวาสิก ข, ของพระเถรรัตอบว่าอุปชาของพวกกระผมขอรับเธอทั้งหลายติเตียนว่าท่านทั้งหลายดูกรรมของสมณะเถิดในการมีจักษุ ท่านนอนหลับเสียไม่ทำอะไรในการมีจักสุวิกฤเดี๋ยวนี้ไว้ตัวว่าจงกรมทําสัตว์มีประมาณถึงเท่านี้ให้ตายแล้วท่านคิดว่าจากทําประโยชน์กลับทําการหาประโยชน์ไม่ได้พวกเธอไปกราบทูลพระตถาคตแล้วในขณะนั้นว่าพระเจ้าข้า พระจักกุบาลเถราค์ไว้ตัวว่าจงกรมทำสัตว์มีชีวิตเป็นอันมากให้ตายแล้วพระศาสดาตรัสถามว่าท่านทั้งหลายเห็นเธอกําลังทําสัตว์มีชีวิตเป็นอันมากให้ตายแล้วหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ได้เห็นพระเจ้าข้าพระศาสดา ท่านทั้งหลายไม่เห็นเธอทําดังนี้ฉันได้แลถึงเธอก็ไม่เห็นสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นฉะ น, นั้นภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตายของพระกีนาสพทั้งหลายคือบุคคลผู้มีอ า, วาสวะสิ้นแล้วไม่ได้มีภิกษุพระเจ้าค่าเมื่ออุปนิสัยแห่งพระอรหันต์มีอยู่ เหตุไนท่านจึงกลายเป็นคนมีจกักษุมืดแล้วพระสัสดาด้วยอำนาจกรรมอันตนทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ท่านได้ทำกรรมอะไรไว้แล้วพระเจ้าข้าตอนบุรพากรรมของพระจักคุบาลเถรักพระสัสดา ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพารณสีดำรงราชอยู่ในกรุงพารณสีหมอผู้หนึ่งเที่ยวทำเวชกรรมอยู่ในบ้านและนิคมเห็นหญิง ทุรพลด้วยจกักษุคนหนึ่งจึงถามว่าความไม่ผาสุก ข, ของท่านเป็นอย่างไรหญิงนั้นตอบว่าข้าพเจ้าไม่แลเห็นด้วยดวงตาหมอกล่าวว่าข้าพเจ้าจากทายาให้แก่ท่านหญิงทำเถิดนายหมอท่านจากให้อะไรแก่ข้าพเจ้า หญิงถ้าท่านอาจจะทำดวงตาของข้าพเจ้าให้กลับเป็นปกติได้ข้าพเจ้ากับบุตรและธิดาจะยอมเป็นทาสีของท่านหมอรับว่าดีละ่ะดังนี้แล้วประกอบยาให้แล้วดวงตากลับเป็นปกติด้วยยาขนาดเดียวเท่านั้นหญิงนั้นคิดแล้วว่า เราได้ปฏิญญาแก่หมอนั่นไว้ว่าจะพร้อมด้วยบุตรธิดายอมเป็นทาสีของเขาก็แต่เขาจะไม่เรียกเราด้วยวาจาอันอ่อนหวานเราจะลวงเขานางอันหมอมาแล้วถามว่าเป็นอย่างไรนางผู้เจริญตอบว่าเมื่อก่อน ดวงตาของข้าพเจ้าปวดน้อยเดี๋ยวนี้ปวดมากเหลือเกินหมอคิดว่าหญิงนี้ประสงค์ลวงเราแล้วไม่ให้อะไรความต้องการของเราด้วยค่าจ้างที่หญิงนี้ให้แก่เราไม่ได้มีเราจะทำให้จักสุมืดเสียเดี๋ยวนี้แล้วไปถึงเรือนบอกความนั้นแก่ภรรยา เขาได้นิ่งเสียหมอนั้นประกอบยาขนาดหนึ่งแล้วไปสู่สำนักหญิงนั้นบอกให้หยอดว่านางผู้เจริญขอท่านจงหยอดยาขนาดนี้ดวงตาทั้งสองข้างได้ดับวูบแล้วเหมือนเปลวไฟหมอนั้นได้มาเกิดเป็นจักกุบานภิกษุแล้วพระสัสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราทำแล้วในการนั้นติดตามเธอไปข้างหลังข้างหลังจริงอยู่ขึ้นชื่อว่าบากกรรมนี้ย่อมตามผู้ทำไปเหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคผลิพัตคือโคที่เขาเทียมเกวียนบรรทุกสินค้าตัวเข็นธุระไปอยู่ครั้นตรัสเรื่องนี้แล้ว พระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาได้ตรัสพระคาฐานี้สืบ อ, อนุสนทิดุจประทับพระราชสารซึ่งมีดินประจำไว้แล้วด้วยพระราชลัญจกรว่ามโนปุบปปังกมามธรร ม, มามโนเศรท่ามโนมยามนาสาเจปดุฒเทณนะ ภาสติวากรติวาตะโตนังลุคมันนเวติจา ก, กังวะวะหะโตปดังทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจร้ายพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้น ดุดล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้นตอนแก้อัดจิตที่เป็นไปในภูมิสี่แม้ทั้งหมดต่างโดยจิตมีการมาวจรกุศลจิตเป็นต้นชื่อว่ามโนในประกาศานั้นถึงอย่างนั้นในบทนี้ เมื่อนิยมกะกำหนดลงด้วยอำนาจจิตที่เกิดขึ้นแก่หมอนั้นในคราวนั้นย่อมได้จำเพาะจิตที่เป็นไปกับด้วยโทมนต์ประกอบด้วยปฏิฆะอย่างเดียวบทว่าปุบบังกระมาคือชื่อว่ามาตามพร้อมด้วยจิตนั้นอันเป็นหัวหน้าไปก่อน บทว่าธรรมมาคือชื่อว่าธรรมเป็นสี่อย่างด้วยอำนาจคุณธรรมเทสนาธรรมปริยติธรรมและนิสัตะนิชีวธรรมในธรรมสี่ประการนั้นธรรมสัพท์นี้ในคำว่านหิตธรรมโมอธรรมโมจากอุโพสมวิปากิโน ธรรมโมนิระยังเนติธรรมโมปาเปติสุขติธรรมและอธรรมสองประการให้ผลเหมือนกันหาไม่ได้อธรรมย่อมนำไปสู่นรกธรรมย่อมให้ถึงสุขคติดังนี้ชื่อว่าคุณธรรมแปลว่าธรรมคือคุณธรรมศัพท์นี้ในคําว่าภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงทมงามเบื้องต้นแก่ท่านทั้งหลายดังนี้เป็นต้นชื่อว่าเทศนาธรรมในวงเล็บแปลว่าธรรมคือเทศนาธรรมศัพท์นี้ในคำว่าภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งกุลบุตรบางจำพวกในโลกนี้ย่อมเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะดังนี้เป็นต้นชื่อว่า ปรยยติธรรมแปลว่าธรรมคือปริยัติธรรมสัทมนี้ในคำว่าก็สมัยนั้นแลธรรมทั้งหลายย่อมมีขันทั้งหลายย่อมมีดังนี้เป็นต้นชื่อว่านิสัตรธรรมแปลว่าธรรมคือสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ในแม้ในบทว่านิชีวธรรม ซึ่งแปลว่าธรรมคือสภาพมิใช่ชีวิตก็ดุจเดียวกันในธรรม4ีประการนั้นนิสตรธรรมหรือนิจีวธรรมพระสาสดาทรงประสงค์แล้วในที่นี้นิสตรธรรมหรือนิจีวธรรมนั้นโดยความก็อรูปขันธ์สมประการคือเวทนาขันธ์ สัญญาขันสังขารขันเหตุว่าอารูปขันสามประการนั่นชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้าเพราะใจเป็นหัวหน้าของอรูปขันสามประการนั่นมีคำถามว่าก่อใจมีวัตถุเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันเกิดในขนาดเดียวกันพร้อมกับทำเหล่านั้น ไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันชื่อว่าเป็นหัวหน้าของธรรมเหล่านั้นอย่างไรมีคำแก้ว่าใจได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าของธรรมเหล่านั้นด้วยอัดว่าเป็นปัจจัยเครื่องยังทําให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างว่าเมื่อพวกโจรเป็นอันมากทำโจรกรรมมีปล้นบ้านเป็นต้นอยู่ด้วยกัน เมื่อมีใครถามว่าใครเป็นหัวหน้าของพวกมันผู้ใดเป็นปัจจัยของพวกมันคืออาศัยผู้ใดจึงทำกรรมนั้นได้ผู้นั้นชื่อทัตตะก็ตามชื่อมัตตะก็ตามเขาเรียกว่าหัวหน้าของมันฉันใดคำอุปมาซึ่งเป็นเครื่องให้อัดถึงพร้อมนี้ บดิตพึงรู้แจ้งฉะนั้นใจชื่อว่าเป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหลายนั่นด้วยอัดว่าเป็นปัจจัยเครื่องยังทรรมให้เกิดขึ้นฉะนี้เหตุนั้นธรรมทั้งหลายนั่นจึงชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้าเพราะเมื่อใจไม่เกิดขึ้นธรรมเหล่านั้นย่อมไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ฝ่ายใจถึงเจตสิกธรรมบางเหล่า แม้ไม่เกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นได้แท้อันหนึ่งใจชื่อว่าเป็นใหญ่ของธรรมทั้งหลายนั่นด้วยอำนาจเป็นอธิบดีเหตุนั้นธรรมทั้งหลายนั่นจึงชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่เหมือนอย่างว่าชนทั้งหลายมีโจรผู้เป็นหัวโจกเป็นต้นผู้เป็นอธิบดี ได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ของชนทั้งหลายมีโจรเป็นต้นฉันใดใจผู้เป็นอธิบดีได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ของถ้ำเหล่านั้นฉันนั้นเหตุนั้นถ้ำเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่อันหนึ่งสิ่งทั้งหลายนั้นนั้นเสร็จแล้วด้วยวัตถุมีไม้เป็นต้นก็ชื่อว่า ของสำเร็จแล้วด้วยไม้เป็นต้นฉันใดแม้ทำทั้งหลายนั่นได้ชื่อว่าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะเสร็จมาแต่ใจฉันนั้นบทว่าประดุษเทนะคืออันโทษมีอภิชาเป็นต้นซึ่งจรมาประทุษลายแล้วจริงอยู่ใจปกติชื่อว่าพระวังขจิต พวังขจิตนั้นไม่ต้องโทษประทุษร้ายแล้วเหมือนอย่างว่าน้ำใสเศร้าหมองแล้วเพราะสีทั้งหลายมีสีเขียวเป็นต้นซึ่งจอนมากลับเป็นน้ำต่างโดยประเภทมีน้ำเขียวเป็นต้นจะชื่อว่าน้ำใหม่ก็มีใช่จะชื่อว่าน้ำใสตามเดิมนั่นแหลก็มีใช่ฉันใด พระวังคจิตแม้นั้นอันโทษมีอภิชาเป็นต้นที่จรมาประทุสร้ายแล้วจะชื่อว่าจิตใหม่ก็มีใช่จะชื่อว่าพระวังขจิตตามเดิมนั่นแลก็มีใช่ฉะ น, นั้นเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่มันเศร้าหมองแล้วเหตุ ภูปกิเลทั้งหลายซึ่งจรมาแลดังนี้ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้วอย่างนี้บาทข้าถาว่าพาสติวากรติวาคือเขาเมื่อพูดย่อมพูดเฉพาะแต่วจีทุจริต4อย่างเมื่อทาย่อมทำเฉพาะแต่กายทุจริตสมอย่างเมื่อไม่พูด ไม่ทำเพราะความที่ตัวเป็นผู้มีใจอันโทษมีอภิชาเป็นต้นประทุสรายแล้วนั้นยอมทำมโนทุจริตสามอย่างให้เต็มอกุศลกรรมบท1สิบอย่างของเขายอมถึงความเต็มที่ด้วยประการอย่างนี้บาทประกาศถาว่าตาโตนางดุขมันเวติความว่าถูก ย่อมตามบุคคล น, นั้นไปเพราะทุจริตสามอย่างนั้นคือว่าทุกที่เป็นผลทั้งเป็นไปในกายทั้งเป็นไปในจิตโดยบรรยายนี้ว่าทุกมีกายเป็นที่ตั้งบ้างทุกมีจิตนอกนี้เป็นที่ตั้งบ้างย่อมไปตามอัตภาพนั้นผู้ไปอยู่ในอบายสี่ก็ดีในหมู่มนุษย์ก็ดี เพราะอานุภาพแห่งทุจริตมีคำถามว่าทุกย่อมติดตามบุคคลนั้นเหมือนอะไรมีคำแก้ว่าเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าของโคพริพัตตัวเข็นไปอยู่อธิบายว่าเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าของโคพริพัตอันเขาเทียมไว้ที่แอกนำแอกไปอยู่ เหมือนอย่างว่ามันลากไปวันหนึ่งก็ดีสองวันก็ดีห้าวันก็ดีสิบวันก็ดีกึ่งเดือนก็ดียอมไม่อาจให้ล้อหมุนกลับคือไม่อาจละล้อไปได้โดยที่แท้เมื่อมันก้าวไปข้างหน้าแอก็เบียดคอของมันเมื่อมันถอยหลังล้อก็ขูดเนื้อที่ขา ล้อเบียดเบียนด้วยเหตุสองประการนี้หมุนตามรอยเท้าของมันไปฉันใดทุกทั้งที่เป็นไปทางกายทั้งที่เป็นไปทางจิตอันมีทุจริตเป็นมูลย่อมติดตามบุคคลผู้มีใจร้ายแล้วทำทุจริตสามประการให้เต็มที่ตั้งอยู่ในที่เขาไปแล้วนั้นๆมีนรกเป็นต้น ฉันนั้นแลในการจบคาถาภิกษุสามพันรูปได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์มีผลแม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องพระจกุบานเถระ